ขอความสุขความเจริญจะมีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายงันทำจากมหาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้จะพูดเรื่องปัรมกิรสูตรหรือสูตรที่ว่าด้วยคนที่ต่างความคิดความเห็นซึ่งกันและกันแล้วก็มีความยึดมั่นหรือมั่นในความเห็นของตนว่าถูกต้อง ไปเสด็ความคิดเห็นของบุคคลอื่นว่ามีถูกต้องละะักษณะเหล่านี้เป็นการขัดแย้งกันในด้านทิฏฐิมันมีอยู่ทุกส่วนของโลกเราเห็นว่าบางครั้งบางคราวความขัดแย้งในแนวนี้นำไปสู่การเค้นฆ่าทำลายล้างกันมีคนบาดเจ็บล้มตายจำนวนมหาศาลชนในกรณีความขัดแย้งระหว่างลัที่ ประชาธิปไตยกับลทัทธิคอมมิวนิสต์ซึ่งได้เกิดขึ้นในโลกของเราก็ผ่านมาทั้งหมดก็ประมาณแปดที่กว่าปีนิดหน่อยนะตลอดเวลายาวนานตรงนั้นมีการเข็นฆ่าทำลายล้างกันแม้ในหมู่ชนชาติเดียวกัน เดยเห็นว่าอย่างน้อยวันนี้ก็มีอยู่เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้มีจีนกับไต้หวันซึ่งเป็นชนชาติเดียวกันแต่ว่ามาแตกแยกกันรุนแรงจนไม่ยอมเป็นประเทศเดียวกันลักษณะเหล่านี้เป็นปัญหาที่ยากต่อการแก้ไข วความที่ปรากฏในพระสูตรนี้เป็นเรื่องที่จะนาท่านผู้ฟังไปศึกษาสารวจประวัติศาสตร์แต่ว่าเก็ให้แนวความคิดหลายๆอย่างคือเป็นเรื่องความคิดเห็นในแนวที่ท่านเรียกว่าอันตะกาฮิกะพิฐิโดยชุดเนี้เขามีอยู่สิบข้อด้วยกันเขาเรียกว่าเป็นปัญหาที่พระพุทธเจ้าไม่ส่งพยากรก็ปรากฏใน มาลุงกโยวาทสูตรคือพระภิกษุชื่อมาลุงกะยะบุตรไปขอร้องให้พระพุทธเจ้าเฉลยคาพิธีทั้งสิบประการเนี่ว่าของใครถูกต้องว่าถ้าพระพุทธเจ้าไม่เฉลยนี่เขาจะศึกพระพเจ้ารับสั่งว่าพระองค์ไม่ได้ตกลงอะไรกันไว้ว่า ถ้าเธอบวชในศาสนาเราแล้วเราจะเฉลยทิฏฐิสิิประการนี้ให้วันเมื่อไม่มีสัญญาอะไรกันมันกม็มีสิทธิ์อะไรที่จะมันทวงการไม่อยากรู้ในลักษณะนี้มันเป็นเหมือนคนที่ถูกยิงหรือลูกศรซึ่งกำทราบประยาพิษหมอก็ต้องพยายามรีบผ่าตัดลูกศรแล้วก็ทายาให้ แต่คนนี้เขาไม่ยอมเขาต้องการจะรู้ว่าใครเป็นคนยิงยิงดูลูกสอนอะไรลูกสอนทำด้วยไม้อะไรแล้วก็ยาพิษนั้นประกอบด้วยอะไรต่างๆเนี่ยถ้าอยากรู้ขนาดนั้นมันก็ตายเปล่าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาแล้วเราก็อยู่ในหลักสูตรการศึกษานะฮะเจนธรรมเองก็อยู่ในหลักสูตรเจนโทในหมวดที่สิบ แล้วก็ปรากฏอยู่ในคำพีของเรานี่เยอะมากเพราะว่ามีคนเดี๋ยวเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้อยู่คราวหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ประเชศตะวันก็มีพวกสำนัพรามบริพาชกพวกรัชชิต่างๆที่มีมมีทิฏฐิคือความเห็นต่างกัน มีความชอบพอต่างกันมีความชอบใจต่างกันอาศัยทิฏฐินิสัยที่ต่างกันก็ัยอยู่ในปะนครพาลนิอสาวัตถีต่างคนต่างก็ยึดมั่นในความคิดความเห็นของตัวเองว่าถูกต้องว่าอด้ามีวัชจังโมขะมัญญางอย่างนี้เท่านั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องแต่ท่านผู้ฟังคงนึกออกที่ได้เคยเล่าให้ฟังเรื่อง ก่อนจะเกิดมงคลระสุนี่ะวฮ้จริงมันเกิดจากคําถามในที่ประชุมแห่งหนึ่งคนมาประชุมกันอยู่มากก็มีการตั้งคําถามขึ้นว่าอะไรชื่อว่ามงคลต่างคนต่างฉเฉลยแล้วก็แบ่งออกเป็นสามกลุ่มกลุ่มหนึ่งเรียกว่าทิฐิมงคลคือถือว่าสิ่งที่เราได้เห็นในแต่ละครั้งเนี่ยเป็นมงคล มีคนค้านแต่ก็มีคนเห็นด้วยปฏิคานเขาบอกว่าถ้าสิ่งที่เราเห็นเป็นมงคลก็แสดงว่าสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นต้องเป็นมงคลหมดโดยสิ่งที่เราเห็นบางครั้งกดีก็มีไม่ดีก็มีเพราะงั้นเป็นมงคลก็มีไม่เป็นมงคลก็มีแตนน่ในขณะเดียวกันพวกที่เห็นคล้อยตามมันก็มีเกาะกลุ่มกันได้เป็นกลุ่มหนึ่งเรียกว่าทิฏฐมังคลิกะอีกกลุ่มหนึ่งถือว่าเรื่องที่ตนได้ฟังเนี่ยเป็นมงคล เรียกว่าสุตะมังคลิกะก็มีท่กนคนต้งเห็นนะอคัดค้านเห็นด้วยด้วยเรากัดค้านด้วยเพราะว่าสิ่งที่เราได้ฟังเนี่ยมันไม่เป็นมงคลทั้งหมดสเราฟังเรื่องดีก็มีฟังไม่เรื่องไม่ดีก็มีคนที่สามก็เสนอว่าเรื่องที่เราทราบด้วยตาไม่ใช่ด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายนะฮะความว่าได้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูได้ทราบด้วยจมูกลิ้นกาย แล้วก็ตัดสินว่าเป็นมงคลหรือไม่เป็นมงคลแต่พว่นี้มันเหมารวม่วงถือว่าเป็นมงคลทั้งหมดก็มีคนคัดค้านแต่ก็มีคนได้ด้วยก็กลายเป็นพวกถืมอมงคลกันอยู่สามกลุ่มในชมพูทวีปแล้วก็เถียงกันตลอดเจอหน้ากันก็เถียงกันแล้วก็ข่าวพระพุทธเจ้าจะส่งพยากรณ์ j รงแสดงเรื่องมองคลในสูตรเนการถกเถียงเรื่องนี้ผ่านไปทั้งสิบสองปี แล้วจึงไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ทรงแสดงเรื่องมงคลสักแปดประการเอาไว้วันนี้ก็เกิดความคิดเห็นในว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีพอันนั้นเสระอันนั้นชีพอันอื่นเสรระอันอื่นหมายความว่าโลกเนี่ยเขาเรียกเรียกว่าอานตยาธรรมวิทยา คือถ้าจะตอบเนี่ยมันไปตอบอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าเป็นการพูดถึงกระบวนการของเหตุปัจจัยและแม้แต่คาว่ า, าโลกเองเนี่ยเราก็ตีกรอบไม่ได้ว่าโลกนี่มันคืออะไรโลกบางทีอาจจะหมายถึงหมูสัตว์บางทีอาจจะหมายถึงสังขารบางทีอาจจะหมายถึงดวงดาวในจักรวาลทั้งหลายบางทีอาจจะหมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายของเราเนี่ยเป็นโลกก็ได้ เพราะว่าโดยกรอบความหมายนี่เขาเรียกลุตติติโลโกโลสิ่งใดย่อมแตกทำลายไปสิ่งนั้นเรียกว่าโลกัมื่ระพสิ่งเลยมันเป็นโลกหมดเพราะมันแตกทำลายไปทีนี้อาการตกเฉียงการหานิยามเนี่ยในที่สุดเราก็เถียงนิยามกันคนหนึ่งอาจจะพูดโลกคือ ดาคนหนึ่งอาจจะพูดโลกคือหมูสัตว์คนหนึ่งอาจจะพูดโลกคือสังขารคนหนึ่งอาจจะพูดมนุษย์โลกอาจจะพูดเทวโลกอาจจะพูดพรหมโลกอาจจะพูดมารโลกมันก็ยุ่งนะเนี่ยแต่ว่าส่วนย่อยต่างๆในร่างกายของเราเองนี่มันพี่ทักงเรียกว่าโลกเช่นธาตุโลกคือธาตุแต่ละธาตุมันเป็นโลกแต่ละโลกอายตนะโลกตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสกลิ่ผ้าธรรมารมแต่ละอย่างก็เป็นโลก บางทีก็ขันห้าเนี่ยแยกออกไปก็เป็นโลกแต่ละอย่างานผู้ที่ถือถือว่าโลกเชี่ยงเนี่ยเป็นเหตุให้ไม่ขวรขวายใช้ความเพียรพยายามปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเองเพราะถือว่าตนไปเป็นยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงทีนี้ถือว่าโลกไม่เชี่ยงก็อีกแหละมันก็อาจจะ เห็นว่ามันไม่รู้จะทำไปทำไมเพราะมันไม่เที่ยงมันก็กลายเป็นความเห็นไปอีกอีกแนวหนึ่งเพราะันตามปกติแล้วผู้จ้าจะไม่สูงปัญากรปัญหานในลักษณะ่างนี้โลกมีที่สุดมันก็อีกแหละมันที่สุดยังไงที่สุดของโลกอยู่ที่ไหนแล้วก็โลกนี้หมายความาอย่างไงคือแต่ละเรื่องนีนมันจะมีตกเทียงตลอด มันนิยามโดยไม่ให้ดิ้นเนี่ยมันนิยามไม่ได้เพราะกรอบเองมันสายคือสาระค่อยคําเองเนี่ยมันก็สายอย่าขายติลงว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นมันก็ลงไม่ได้แล้วโลกมีที่สุดผูหนึ่งก็บอกว่าโลกไม่มีที่สุดบอาชีพอันนั้นสิริอันนั้ น, น, น, นเป็นการพูดทํานองว่าชีพคือชีพตัวนี้คือชีวะในะตัวชีวิตอ่ะ กับตัวสรีระคือตัวร่างกายเนี่ยเป็นอันเดียวกันนะที่เป็นความเห็นซึ่งเคยพูดเล่าฟังเรื่องสักกายทิฏฐิสียี่สิบนะฮะคือรเรห็นว่าในรายละเอียดแล้วเขามองแปลกเช่นว่าตนเป็นรูปรูปเป็นตนตนมีในรูปรูปมีในตนก็สี่อย่างมองรูปสี่อย่างเวทนาก็เหมือนกันก็มองอย่างนั้นเพราะเมื่อมองขันห้าอย่างนั้นตกลงว่ามันก็ห้าสี่ก็่ายี่สิบ มีสักกายะยี่สิตกเฉียงกันเยอะมีรายละเอียดอีกเยอะแต่เราก็เคยพบนะฮะในหนังสือการมณิตวาสิทธิที่ตอนว่าจะสบสอนองคุลิมาณนมันก็สอนในแนวนี้แต่ว่าชีพก็สีระต่างกันนะพวกน้นสอนสอนในแนวต่างกันถึงหมายความว่าตัวตัวชีพเนี่ยเป็นของเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่แปรผัน แต่สรีระเนี่ยมันแยกต่างหากจาก่ชีพผลการฆ่าจึงไม่มีการฆ่าไม่มีผู้ฆ่าไม่มีผู้ถูกฆ่ามันเป็นการแทรกไปของวัตถุในวัตถุเท่านั้นเองบบปกรรมจะเกิดขึ้นจากการฆ่าจึงไม่มีเพราะไม่มีการฆ่าไม่มีผู้ฆ่าไม่มีผู้ถูกฆ่าองค์ปริมาณจึงมันไปเลยอย่างเงี้ยฆ่าคนเพลินเลยเพราะว่าท่านเรียนมาอย่างนั้น เรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยรุษนานมีภูมิหลังมีภูมิหลังที่เรามองย้อนกลับอย่างหนังสือเรื่องจากใจสู่ใจโดยไมยตรีที่นรมาเลี้ยการสนับสนุนค่าพิมพ์จากเปิ่นเอกเซรีภุกมานกับนาอธิการบรดีคือเราจะพูดในนักณนณท่นน้ำเที่ยว จะเป็นการเชี่ยวที่แวะคุยไปเรื่อยเจออะไรแล้วก็คุยเรื่องเหล่านั้นแล้วก็เจาะลึกย้อนหลังเข้าไปย้อนไปสู่อดีตของเรื่องเหล่านั้นก็หมายความว่าไม่เจตนาพูดเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะแต่ว่าเอาพารนสีเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการศึกษาเรียนรู้ แต่ว่านวทิฏฐิตรงนี้เป็นแนวปักหรือหมายความปักลงไปเลยอยู่ตรงนั้นเนี่ยแกไม่ยอมไปอ่ะไม่ยอมฟังคนอื่นเลยแล้วก็ถือว่าชีพอันอื่นสตระเป็นอัปด้านเดียร์ชีพกสิระไม่ได้เกี่ยวกันแยกออกจากกันพวกเนี้ฆ่าไม่บาปพวกนี้ฆ่าไม่บาปศาสตน์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกย่อมเป็นอีกทีนี้เกิดยังไงล่ะ เชี่ยงหรือไม่เชี่ยงก็ว่ากันไปใหญ่เลยเรื่องมันยาวเลยจีเนี่ยนะเกิดอีกนี่แหละแม้แต่ละที่เกิดอีกเนี่ยมันก็แยกกอนไปเยอะเพราะอย่าลืมมาที่ที่ใหญ่จริงจริงมันมีสนะี่ไม่มีหกสิบสองนะครับที่ใหญ่จริงก็มีหกสิบสองอันนี้ก็ย่อยขึ้นมาสิข้อแต่ก็ยุ่งนะดูนะฮะแต่ละข้อนี่สัตว์เบื้องหน้าแต่ตา ย, ตายแล้วย่อมไม่เป็นอีกหมายความไม่เกิดอีกหรือไม่เป็นอีก เราถ้าไมเป็นอีกแล้วไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ยังไงเนี่ยความเชื่อคล้ายๆกับความเชื่อที่เกี่ยวกับมัมมี่เนี่ยเราเห็นว่าความเชื่อที่เกี่ยวกับมัมมี่กับความเชื่อที่เกี่ยวกับการฝังศพเนี่ยมันมีลักษณะใกล้เคียงกันแล้วแนวะแนวมัมมี่เนี่ยมันคล้ายๆกับพลังของจิตเนี่ยพลังของจิตของคนตายเนี่ยมันจะอยู่สิงสู่อยู่ข้างบน่ะรักษารักษ า, าษสากศพเอาไว้ มันแนวแนวในโลกเนี่เราจึงเห็นว่าถ้าผู้ที่หนักไปกายกับจิตแยกแยกจากกันนะ่ะส่วนมากจะเผาศพอย่างนี้ถ้าความร่วมเอียงไปในทางกายกับจิตเขาอยู่ด้วยกันน่เส่วนมากเลยจะฝังนะส่วนมากเลยจะฝังศกเพราะมันมีความเชื่อลึกๆอยู่ในลัทธิเหล่านี้ไปเข้าใจว่าเวลาวันพิพากษาเนี่ยวันพระเจ้าพิพากษา สัพพชีวิตที่ตายไปจะกี่ร้อยปีพันปีก็ตามน่จะลุกขึ้นมารับฟังไปภากษาแลีวพระเจ้าก็จะตัดสินส่งไปให้อยู่นระกชั่วนริรันดรหรืออยู่สวรรค์ชั่วนริรันดรแล้วเขาชื่อว่ามันมาทั้งหมดนะฮะมาทั้งทั้งเนื้อตัว ต, ต่างๆนี่มาด้วยถามาถ้าเป็นกระดูกไปแล้วผงผุ มันเรียกว่าอันตราธานเป็นเป็นฟุ่นไปแล้วล่ะทําไงก็บ่ริวรงัวขึ้นมาได้เราก็ไม่จะว่ายัางไงของเขาไปนะเขาเชื่ออย่างนั้นาสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเป็นอีกก็มีย่อมไม่เป็นอีกก็มีนะแล้วก็พู้หนึ่งก็ปฏิเสธปฏิเสธแนวเนี้ยบางทีคือไม่รู้ปฏิเสธอะไรเป็นบอกว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเป็นอีกก็หาไม่ได้ย่อมไม่เป็นอีกก็หาไม่ได้ ตัวนี้คล้ายๆกับคำพูดของท่านสัญชัยปริภาชุไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้คือ พ, พูดถึงความไม่รู้เรื่องจับประเด็นไม่ได้ทีนี้พวกสรรรมรภา่ะเนี่ยก็ทะเลาะ ก, กันถกเถียงกันแล้วก็วิวาทกันทิ่มแทงกันด้วยเขาเรียกมุขสติหอกปากคือด่ากันนั่นนะฮะ ในความว่าดาเนี่ยลักษณะการด่าเนี่ยเราสังเกตว่าความคิดโราชายอารมณ์เราใช้อารมณ์มมจะมีลักษณะเป็นพเด็จการคือเชื่อว่าความคิดของตัเนเองถูกต้องของคนอื่นไม่ถูกต้องแล้วก็จะใช้วิธีการเหล่านี้รุนแรงสัตว์ชี้ความเชื่อต่างๆเนี่ยมันสูญเสียเวลาไปในการถกเถียงเรื่องความเชื่อของตัวเองเนี่ยเยอะแล้ว มนุษย์จะขาดการปรณีปนอมแต่ว่าถ้าเรามองดูอีกทีหนึ่งเนี่ว่าเป็นเรื่องของคนที่รู้ไม่จริงนคือคนเราถ้ารู้จริงเนี่ยจะไม่เถียงเรื่อการทั้งเกตว่าสังคมพระอริยะเนี่ยท่านไม่เถียงมันก็เหมือนกับเราพูดว่าน้ําตาลหวานวเกลือเค็มไฟร้อนอย่างเงี้ยมันไม่ใครเถียง แต่ว่าถ้าใครพูดผิดไปจากสัมผัสตรงมันก็มีการเถียงในนี้ท่านเหล่านี้ไม่มีสัมผัสตรงด้วยกันคือต่างคนต่า ง, งไม่มีใครที่มีสัมผัสตรงเมื่อไม่มีสัมผัสตรงก็ใช้ความเชื่อความจำเชื่อที่ตัวเองก็ถ่ายทอดมาจากคนซึ่งตัวเองเชื่อกว่าใครก็่าบางก็ไม่รู้นะแล้วแต่ทีนี้ต่อมาภิกษุทั้งหลายเนี่ย ก็เข้าไปบิณธบาตแล้วก็ไปหลังใจบินธบาติก็เข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าแขากกราบทูลเล่านะว่าปุสมนาภกพราหมณ์พกบริพาโชคมากโดยกันผูู้มีลทัทธิต่างๆกันมีทิฏฐิต่างกันมีความพอใจต่างกันมีความชอบใจต่างกันอาศัยทิฏฐิอิสัยต่างกันอาศัยอยู่ในนครสาวัตชีแล้วก็เถียงกันเรื่องังกล่าว แล้ประเด็นเหล่านี้ท่านผู้ฟังลองสังเกตว่ายังมีครบสมบูรณ์นะฮะในบ้านเมืองเราเนี่ยเช่นอะไรล่ะเช่นว่ามีละที่ต่างกันมีละที่ต่างกันก็มีอยู่โดยสมบูรณ์แล้วก็มีทิฏฐิคือความเห็นต่างกันก็มีอยู่ทุกคนทุกแห่งมีความพอใจต่างกันก็มีอยู่ทุกคนทุกแห่งมีความชอบใจต่างกันก็มีอยู่ทุกคนทุกแห่ง อาศัยทิฏฐินิสัยที่ต่างกันก็มีอยู่ทุกคนทุกแห่งวันนี้เป็นพฤติกรรมถาวรของสัตว์โลกอย่างแต่ว่าประเด็นที่เขาเอามาถกเฉียงมาวิวาทกันมาแข่งแย่งแข่งดีกันเนี่ยมันเป็นประเด็นที่รุนแรงมากน้อยแค่ไหนเพียงไรจะมีการพูดกันว่าผู้นักบวชเนี่ยทะเลาะ ก, กันพระทิติผู้ชาวบ้านเนี่ยทะเลาะ ก, กันเพราะกรรม พูดง่ายที่ยิงการในที่นี้หมายทั้งผลประโยชน์นะหมายถึงผลประโยชน์แนตะ่ผลประโยชน์ก็อย่าลืมว่าอาจจะหมายทั้งลาภทั้งยศทั้งสรรเสริญหรือทะเลาะแก่งแย่งกันในเรื่องเหล่านี้ก็เป็นธรรมดาของสัตว์โลกนะเราลองตั้งเกตว่าแนวสาลาในธรรมที่พระเจ้าทรงเน้นไปที่หลักที่หลักเนี้คือการสร้างความรู้สึกเป็นมิตรกันให้ได้เสีก่อน แล้วก็ความเห็นกับความประพฤติมันปรับมันปรับเข้าไปยุติที่ตัวหลักตรงนั้นพบกันที่ตัวหลักไม่ได้พบกันที่ตัวคนหลักการวิธีการเป็นยังไงก็ว่ากันตามนั้นแหละไม่ใช่เอาตัวเองเป็นฐานเพราะถ้าเอาตัวเองเป็นฐานเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะใช้ความถูกใจมากกว่าความถูกต้อง พอวินิจฉัยด้วยความถูกใจแล้วโอกาสที่จะถูกมีก็ยากนะโอกาสที่จะถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ี่ยยากมันก็ใช้ไปในบางกรณีนั่นได้อย่างเรายกตัวอย่างไว้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตะเลน้ำบันนะนะตั้งแต่วันที่ยี่บกธันวาคมมาคนรู้สึกเขาจริ ง, งจังก็นและเกินนะ เร่ยงรัดจะเอาจากนั่นจะเอาจากนี้จะเอาจากน้นคือที่จริงมันไม่ใช่เรื่องรีบด่วนนะฮะคือคนไม่ได้มองว่าคนเนี่ยเขาไม่มีบ้านการนําของไปให้คนที่ไม่มีบ้านอยู่เนี่ยมันมีปัญหานะฮะคือมนุษย์ต้องสร้างบ้านก่อนแลของนี่จะตามมาทีหลังคือเครื่องอุปโภคบริโภคมันจะตามมาทีหลังทีนี้เราก็เล่งรัดขนของไปกองคนนี้ก็เลยรังคว้าของ ล้วก็เปิดโอกาสได้คนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีอยู่ทุกคนทุกแห่งมีอยู่ทุกคนทุกแห่งถ้าเรานึกถึงคราวมาประมฤตนะฮะพายุเกหที่มาประมฤตเนี่ยมีคนเป็นชุดๆนะฮะนั่งรถปิกอัพหล้อเอ่อสี่ล้อบ้างหกล้อบ้างมาแสดงเป็นผู้ที่ประสบวาตภัย ไปแย่งรับของค้นก็เป็นคันรถนะขึ้นเป็นกระบวนคาราวานกั น, ปนไปเลยและนี่ก็มีลักษณะอย่างไีน้นั่นก็คือคือความเห็นมันต่างกันหรือคนบางคนมองเห็นว่าเออมันที่เกิดผลประโยชน์มาแล้วต้องรีบไปอ่ะคือการลักษณะเนี้การอยไหม้เนี่ยเราจะเห็นคนคิดต่างกันเยอะเลย นะพวกบรรดาพวกไทยมุงทั้งหลายเนี่ยที่เข้ามาในต่างกันเยอะถ้าเป็นงานการต่างๆที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เพราะว่าคนมันมีความหลากหลายโอ้ไฟไม่เดียกันเนี่ยคําเดียวกันเนี่ยแต่ว่าคนคิดต่างกันเยอะยังมีคนเป็นอันมากที่เข้าไปสวมรอยนะเข้าไปยืนดูเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์ จบ ช, ช่ยวยผลประโยชน์ต่างๆแล้วพวกนี้ไม่กลัวบาปกันนะอย่างนี้นถึงว่าถ้าเขาเชื่อบาปกันเนียเขาไม่กล้าทำนะมีคนคนหนึ่ง น, นะอยู่แถวนครเชียศรีนานแล้วก็มาค้าขายด้วยเรือเรือแจ้วนะแต่ใหญ่สมัยนั้นก็เรือแจว แล้วเกิดไฟไหม้ขึ้นแถวฝั่งทนแก่กายจีระก็ ค, คนก็ขนของมากองริมแม่น้ำเจ้าพยาแก่ก็บอกว่าผมมาช่วยแล้วข น, น, นมาลงเรือช่วยคนก็ตกใจะนะหลับตกใจคนลงเรือเต็มเรือเจ้าของทรัพย์สินก็วิ่งไปข น, น, นเร่ยแล้วกลับมาปรากฏว่าแกเอาเรือนี้ไปเสแล้วหาไม่เจอไม่รู้ไปไหน ปรากฏว่าในที่สุดคนคนนี้นะฮรตายด้วยการกินน้ําร้อนนะร่ำรวยขึ้นจริงร่ำรวยขึ้นจริงแต่ว่าอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานแล้วก็ถึงจุดหนึ่งก็ป่วยหนักดื่มน้ำเย็นไม่ได้ต้องหยิบ น, น้ําร้อนแล้วก็คนอื่นต้มให้กันไม่ได้เลยต้องต้มเองคนอื่นต้มรู้สึกมันเย็นหมดเลยไม่ร้อนสดดก็ดื่มน้ําร้อนกับ่วยกาเลยนะข้าวเป็นผู้กาเลย ถูกทรมานบวมพองข้างในนี่พองลวกถูกลวกพองหมดแล้วก็ตายตายด้วยความทรมานมากนะเราะั้นคนเราต้อเชื่อเรื่องบาปกรรมเนี่ยก็ไม่กล้าแล้แต่พวกนี้ก็ไม่เชื่อเนี่ฮะเราจะเห็นว่าแนวพวกนี้แนวแน ว, แนวไม่เชื่อเรื่องบาปกรรมจะนอยู่เพราะฉันเมื่อท่านเหล่านี้กราบทูลพระพุทธเจ้าทรงทราบพระพุทธเจ้ารับสั่งว่า ดูกรพิสูจน์ต่างๆอัญญเดริชีเป็นคนตาบอดอัญญเดริชีเนี่ยแปลว่าผู้ที่กระทาซึ่งท่าอื่นพูดง่ายๆว่าทางนิพพานนไปทางหนึ่งแต่แกไปอีกทางหนึ่งอ่ะแกสอนไปอีกทางหนึ่งอ่ะมันสวนทางกันจึงเรียกว่าอัญญเดริชีเดริชีนี่ติดถ่านะฮะติดถ ก็คือถ้าเป็นที่ข้ามขึ้นเป็นอุตรดิตเนี่ยแปลว่าท่าเหนืออันนี้ก็เหมือนกนอารอนญาตเดรถถิชีแปลว่ า, าท่าอื่นไม่ใช่ไม่ใช่ที่ขึ้นสู่ฝังคือไปน็นอิพานปัญหาของท่านเหล่านี้คืออะไรคือหนงไม่มีตาบอดตาปัญญาในมันบอดแล้วก็ไม่มีจักษุคือไม่มีปัญญาจักษุนะไม่รู้จักประโยชน์ไม่รู้จักความฉิบหายใช่ประโยชน์ อันนี้เป็นคุณสมบัติของมนุษย์นะฮะมนุษย์คือสัตว์โลกที่รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์วัรนันยเดถีพอมาอยู่ตรงนี้ก็แสดงว่าสูญเสียคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์แล้วก็ไม่รู้จักรรมไม่รู้จักสภาพไม่จะทำหรือไม่รู้จักว่าสิ่งใดเป็นกุศลธรรมึง่งใดเป็นกุศลสิ่งใดเป็นอกุศลนะฮะพูดง่ายๆอย่างนั้นนะว่าสัมมลนวแของเราก็คือว่า รู้ว่าสิ่งใดเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเมื่อไม่รู้จักประโยชน์ไม่รู้จักความชีพหายไม่ใช่ประโยชน์ไม่รู้จักธรรมไม่รู้จักสภาพมิใช่ธรรมก็บาดหมางกันทะเลาะกันวิวาทกันทิมแทงกันด้วยหอกคือปากทำเหล่านี้ย่อมทำไม่เป็นเช่นนี้ทำเป็นเช่นนี้ทำไม่เป็นเช่นนี้ ทำให้เป็นเช่นนี้ทำเป็นเช่นนี้แกก็เฉียงกันไปเรื่อยนะอยู่แม้แต่ทำมาเนี่ยมันก็เฉียงเฉียงในประเด็นว่าเป็นเช่นนี้ทำเป็นเช่นนี้บางทีไม่ไม่เป็นเช่นนี้การถกเฉียงเหล่าเนี้ยเขาเรียกว่าวิวาธมูลอยู่ตามปกติแล้วมันจะเกิดจากความโกรธความผูกโกรธแล้วการดุมิ่งการแข่งดี การริษยาและความเจริอันนี้เราจะเห็น้องเป็นลักษณะของความแข็งดีความริษยาแล้วก็พระเจ้าก็เล่าไปฟังเป็นการเล่าเรื่องตาบอดคำช้างนะฮะท่านผู้ฟังคงอาจจะไม่รู้ว่าตาบอดคำช้างที่จริงอยู่ในพระเจบิดูอยู่ในอุทานนะฮะปัมา ก, กิริสูตร เจ้ารับสั่งถึงอดีตการนานไกลว่าแตมีประชาชที่ครองสาวตถีเนี่ยก็สัตถามเรื่อราชบุตรเออในบ้านเราเนี่คนตาบอดมีก็เท่าไหร่บอกว่ามีอยู่ปเป็นจำนวนมากเออไปไปรวบรวมมาดูที่ไปเอามาดูแล้วก็ให้ราชบรุรเนี่ยนำคนเหล่านี้ไปดูช้างถามว่าเคยเห็นช้างไหมบอกว่ายังไม่เคยเห็นบอกเอ้า จัดคนเป็นกลุ่มๆมากลุ่มนะฮะให้ไปดูช้างแต่ว่าเวลาดูนี่ก็จับป็นคนละจุดของช้างจับป็นคนละส่วนของช้างเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยราชากรับสังถามว่าคนตาบวดทั้งหลายท่านทั้งหลายกล่าวว่าข้ารู้เจ้าทั้งหลายได้เห็นช้างอย่างนี้ช้างนั้นเป็นยังไงบ้าง ที่นี่มันมันก็ใช้สัมผัสตรงตัวเองคือในหนังสือที่เราเคยอ่านเนี่ยเป็นการพูดสั้นๆนะ เ, เป็นการพูดสั้นๆเป็นตำนองยกตัวอย่างแล้วว่าในพระบาลีจริงๆเนี่ยให้รายละเอียดเยอะแล้วก็บอกว่าขพเดชะช้างเป็นเช่นนี้คือเหมือนหม้อ คนตาบอดที่ได้ลูกครามหูช้างก็กราบทูลว่าขอเดชะช้างเป็นเช่นนี้คือเหมือนกระด้งคนตาบอดพิจิลูกครามงาช้างก็กราบทูลว่าช้างเนี่ยเหมือนผานคนตาบอดที่ลูกครามงวงช้างก็กราบทูลว่าช้างเนี่เป็นเหมือนกับงอนไถคนตาบอดที่ลูกครามตัวช้างก็บอกว่าช้างเนี่ยมันเหมือนกับฉางข้าว แล้วก็คนตาบอดที่ลูกครามเท้าช้างก็กล่าบทุนว่าช้างนั้นเหมือนเสาคนตะบอดที่ลูกครามหลังช้างก็บอกว่าช้างนี้เหมือนก็ครกตําำข้าว แ, แสดงว่าแกก็คงมีประสบการณ์เรื่องเหล่านี้นะฮะคงคงจะเคยจับไปพวกเหล่านี้มาแล้วก็บอกว่าคนตาบอดที่พวกที่ลูกครามโคนหางช้างก็กล่าบทุนว่า อช้างนี่เหมือนกระสากคนตาบอดที่รูปครลมปลายหางช้างก็กราบถูนว่าช้างนี่เหมือนไม้กวาดแล้วพอพุทธทาสพุทธทาสปรากฏเราพูดคนละเรื่องเถียงกันเลยทีเนี้ยเถียงกันใหญ่ต่างคนต่างก็ไม่ยอมนะฮะถือว่าตัวเองถูกแล้วก็คัดค้านเพื่อนพอคนที่คัดค้านพูดเพื่อนก็คัดค้านต่อก็วุ่นกันเป็นการใหญ่ นี่เป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าความรู้ที่ไม่ตลอดอ่ะจะต้องการสอนเรื่องความรู้ที่ไม่ตลอดว่ามนุษย์เราถ้ารู้ตลอดเนี่ยไม่เถียงอ่ะอย่างที่บอกไว้ว่าไม่เถียงสังคมเราสูญเสียอะไรไปเยอะที่ยังนึกถึงพวกเนี่ยนักวิจัย ก, การพวกเอ็นออะไรต่างทั้งหลายก็แสดงความคิดความเห็นนี่ไมมมันมันแปลกนะ เออความเห็นก็แปลกเรื่อข้อที่น่าสังเกตได้อย่างหนึ่งคือฉันต้องเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐนะใครเป็นรัฐก็ไม่รู้ว่าฉันเป็นปฏิปักษ์แล้วดูคล้ายๆกับตัวเองอยู่ภาคสนามมีความรอบรู้ลึกซึ้งมากเย่งมากๆคือว่ากันตามความจริงเนี่ยอะไรก็ตามนะฮะที่เรียกว่า สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำสิบมือคลำไม่เท่าทำรู้คือต้องลงมือทํานะต้องลงมือทำจริงจริงอยากจะสัมผัสตรงจริงๆจึงจะเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะในกรณีของตาบอดคขำช้างที่เราเล่าเราพูดกันอยู่เรื่อยๆเนี่ยแล้วก็หมายความว่าเรารู้แง่ใด ม, มุมมุมใดมุมหนึ่งแล้วก็ตัดสินมาจากมุมที่ตนตนคิดว่ามันเป็น ทดนี้้าหาว่าใครที่ตาดีมามองเห็นว่าทุกคนพูดถึงช้างทั้งหมดแต่ว่าพูดเฉพาะส่วนคือเลือกพูดเฉพาะส่วนผมเลือกพูดเฉพาะส่วนมันรับผิดชอบไม่ได้เพราะความเป็นช้างนี่มันเป็นทั้งเชือกมันเป็นทั้งตัวมไม่ได้เป็นเฉพาะส่วนในส่วนหนึ่งผมเลือกพูดพูดเฉพาะส่วนในส่วนหนึ่งมันก็ไม่ได้นะทํานองใกล้ๆกับอะไรล่ะอิปนาเกษนสนธนากับพยามิลินน่ะ คือพระยามิรินท่านจับส่วนต่างๆของร่างกายของพระนาคเสศนีถามว่าตอนนี้หรือชื่อวา sen, อนาคเสศตรงนี้หรือชื่อวนาคเสศตาหูชื่อวนาตาหรือชื่อวนาคเสศหูหรือชื่อวนาคเสศจมูกหรือชื่อวนาคเสศไหนตัวไหนนี่พระนาคเสณก็ปฏิเสธแล้วก็ถือว่าพระนาคเสษณกหกผู้สับหลับเมกี้นี่บอกว่าชื่อนาคเษณอันนี้นก็บอกไม่ชื่อนาคเณแล้ะ ปนาเกษตท่านเป็นประหันท่านก็ถามว่ามหาบพิษเนี่ยสเสด็จมาที่อสมไขบริเวณด้วยอะไรท่านก็บอกว่ามาด้วยรถเอาพิษยืนยันนะว่ามาด้วยรถบุษย์ยืนยันถามจับพิละชิ้นของรถเหมือนกันมาถามยำลิมก็ปฏิเสธไม่ใช่ปนาเกษตก็ย้อนเอาเนี่พระราชานีิพุจาสัพท์อยู่กระรองกระรอยตะกี้นี้พูดว่ามาด้วยรถ พอถามว่าอะไรคือรถพอกว่าไม่ใช่รถทั้งนั้นเลยดังนั้นการมองอะไรก็ตามที่เรามองเฉพาะมุมในมุมหนึ่งแร่แง่ใดแง่หนึ่งเนี่ยบางทีมันก็กลายเป็นการตื่นเต้นแล้วเราก็เห็นว่าเออมันก็ขาดวิสัยทัศน์ในการมองปัญหาเนีว่ารำยังไงวะยังเนี่ยบางเกิดเกิดเอ่อสึนามิขึ้นมาเนี่ยคือว่าที่จิงเนี่ยเขาบอกว่า เกิดคลื่นใหญ่รุนแรงมากเกิดความเสียหายมากเท่า น, นั้นก็พอแล้วนะเทา น, นั้นก็พอแล้วอธิบายได้และจินตนาการได้แล้วจากนั้นไปสามารถอธิบายได้ว่าอะไรควรจะกอดอะไรควรจะหลังแ้วดูวิธีการช่วยนะฮะวิธีการช่วยเราก็ตลกนะโอเ ค, คือช่วยไปเนี่ยไม่ได้นึกถึงถึงจริงๆว่าชีวิตจริงๆเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า เป็นสมมติว่จะช่วยให้อาหารแก่เขาเอาเข้าวสารอาหารแห้งนะ่ะพู้ต้องข้าวสารอาหารแห้งเนะี่ยทั้งข้าวสารทั้งอาหารแห้งเนี่ยกินไม่ได้ดังนั้นเนะี่ยต้องผ่านกระบวนการว่านึกถึงเอุไฟที่ไหนล่ะหม้อบุ้งที่ไหนล่ะเตาแก๊สที่ไหนอะไรแต่อะไรต่างๆน้ําที่ไหนอะไรแต่มันตามมาเยอะเลยที่ว่าทํำยังไงให้กินได้คือมันต้องคิดต่อได้แล้วไม่จําเป็นจะต้องอธิบายมาก ไม่จำเป็นจะต้องอธิบายมากอะไรใช้คําเพียงสองคำเนี่ยรู้ไดนะ้เพราะว่าเป็นภาพปกติที่ว่าในชีวิตมนุษย์แต่ละคนเนี่ยสะสมเรื่องเหล่านี้ไปเยอะในสมองนนะเราเห็นเรื่องเหล่านี้เยอะเพียงแต่ว่าขยายขึ้นมาบอกมันรุนแรงมากอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนเราก็ขยายตราส่วนขึ้นไปคิดขยายตราส่วนขึ้นไปเห็นการพังทลายของ ตลิงต่างๆนะฮะการหักโค่นของต้นไม้การพังทลายของบ้านเรือนการบาดเจ็บล้มตายสูญเสียของคนขอ ง, ของสัตว์ของสิ่งเห็นถนนหนทางระเกะระกะด้วยวัตถุต่างๆที่ตกน้ำซัดไปว่าได้เยอะอลยนั่งวาได้เยอะเลยเราไม่ดูไม่ไหลอกเสียเวลาอันนี้ก็คือคือเราใช้ประสบการณ์ใช้ประสบการณ์มาอธิบาย เพราะว่าสิ่งทั้งหลายที่จริงมันมันเป็นอย่างนี้เองเอวังธรรมโมเอวังภาวเอวังนาติโสธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้สภาวะมันเป็นอย่างนี้มันลงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้เพราะงั้นเมื่อพวกเหล่านี้ไม่รู้ตลอดไม่รู้ตลอดก็กลายเป็นการถกเถียงกันแต่เมื่อการถกเถียงกันประเด็นใหญ่ของเขาก็คือว่า ไม่รู้ตัวเดียวผู้งานจริงๆก็คืออาวิชาตัวเดียวแต่ว่าจากอาวิชาเน้นนาไปสู่ปัญหาต่างๆอีกเป็นอนนันมากมังก็เริ่มว่าเป็นคนตาบอดตอนนี้ตาตาบอดจริงนะตาเนื้อตาเนื้อแล้วจริงไม่มีตาไม่มีจักสุไม่รู้จักประโยชน์ไม่รู้จักความผิดผายไม่ใช่ประโยชน์ไม่รู้จกักธรรมไม่รู้จักสภาพไม่ใช่ธรรม นี่ก็เป็นการพูดย้อนกลับไปสู่อัญญะเดระถีนะฮะกลับไปย้อนกลับไปสู่อัญญะติระถีหรือคนตาบอด ก, ก็ธรรมดาเป็นยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างเท่านั้นเองทีนี้ประเด็นที่น่าศึกษาในตรงเนี้คือประเด็นของความคิดที่เรามักจะขัดแยง้งมักจะถกเถียงกันมากเนี่ยที่ท่านบอกว่า นานาติทยาสมณะบรมณะปริภาจากาที่ชื่อว่าท่าเนี่ยเพราะเป็นเหตุข้ามโอะสองสารอิปะติระถีเนี่ยติธีนี่เป็นว่าท่าเป็นทางไปสูปป่ปณิพานในที่นี้ทิฏฐัศนะคือความเห็นคือทิฏฐิที่พวกผู้มีทิฏฐิยึดถือเป็นคติเช่นนั้นโดยประลาด คือคาเคลื่อนแต่วความจริงเราจะเห็นว่าความจริงทั้งหมดที่จริงมันเป็นกระบวนการเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยเราจะไปวินิจฉัยเอาอยัางใดอย่างหนึ่งไม่ได้คือถ้าพู ด, ดมันต้องแยกคือถ้าพูดตัว่าพูดแนวเนี้่แนวปัจจยการนี่นะแนวปัจจัยการแนวปฏิจารสมบตัตที่จริงปฏิจารสมบตัตก็คืออริยสัจแต่ว่า เป็นการพูดได้เห็นว่ามันเป็นกระบวนการก็เหตุปัจจัยที่ทยอยหนุนเนื่องกันไปเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่อย่างเนี้เพราะนั้นความความเห็นในด้านต่างๆของคนเราเนี่ยสมรับชาวพุทธเนี่ยที่จริงก็ไม่น่าจะไปเฉียงอะไรกันมากนะฮะโดยเฉพาะความเห็นในเรื่องคือหลักอย่างที่บวกเคยบอกนะว่าปัญหาอะไรก็ตามในโลกนี้ ไม่ว่าหยาบกลางละเอียดก็ตามนะมันจะเกิดมาจากกิเลสแต่บางครั้งเนี่ยมันเกิดจากผลของกิเลสให้เราลองสังเกตว่าพระอาหารนั้นท่านทำลายกิเลสตอนทำลายกิเลสได้หมดแล้วเพราะนั้นไอ้กิเลสจะเป็นปัญหาแก่ท่านไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันร่างกายของท่านเนี่ยมันเป็นวิบากคือเป็นผลของกิเลส ในผมก็เก็บก็ยังเกี่ยวเนื่องอยู่กับกิเลสเวลาปัญหาอะไรเกิดขึ้นแก่ท่านเนี่ยแทนที่ท่านจะโทษคนนั้นคนนี้คนโนนไปโทษกิเลสเนี่ยมันไม่มีกิเลสให้โทษอ่ะก็อในตัวท่านเนี่ยไม่มีกิเลสให้โทษแต่ว่าโทษของวัตฏะซึ่งเป็นผลมาจากกิเลสที่ทําให้ท่านหมุนบนในสังสารวัฏเนี่ยโทษเหล่านี้เป็นโทษของวัฏตะอย่างสามเณรรูปหนึ่งนั่งอุปถาอาจารย์อาจารย์นอนหลับ เลยกำหนดตามพระวินัยอาจารย์ลุกขึ้นมาก็ลุกขึ้นมาได้นะว่าเป็นคืนที่สี่เลยก็เอาพัดทุบเนเนนะ ต, ตีเนรตอนนั้นเนรนั่งเนรนั่งอยู่เนรก็ไม่หลับอะไรนั่งธรรมดาถูกเนรตาบอดอาจารย์พอ ร, รู้ก็ตกใจขอโทษเนรเนนบอกว่าไม่มีโทษอะไรกับอาจารย์หรอกมันเป็นโทษของวัฏตะ ต, ตอนนั้นเนรนั้นเป็นพระอาจารแล้ว เราเหนว่าไม่จะโทวามกิเลสแล้วแต่ยิ่งปัญหาทั้งหลายมันมาจากกิเลสทั้งปกติเราไม่ค่อยสาวให้ถึงเราไม่ค่อสาวให้ถึงเราก็สาวแบบผิวเผินเราไม่ได้แก้ปัญหาในเชิงที่เป็นรากง้าวของปัญหาแก้ปัญหาคล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับทันอยะมองนะนะทันยะมองหรือว่าบีบนวดรองมล้วก็บรรเทา อ, อะไรได้ แต่ว่าแก้ปัญหาที่ถาวอนไม่ได้หรืออย่างน้อยเช่นปนัญหาเดีย ก, กรรมตั้งยเนี่ยเราเห็นชัดเจนนะว่ามาจากโลกแบบโงๆ่ๆความโลกกับความหลงเนี่ยเป็นโรูการสำคัญที่นำไปสู่ปัญหาเดีย ก, กรรมต่างๆแต่วันนี้ถ้าเราไม่ขัดขวางแก้โกรธนะ พวกเจ้าพ่อพวก อ, อ, อิทธิพลทั้งหลายอย่างต่างๆนได้ข่าวแผ่นรัฐมนตรีก็สัมภาษณ์ว่าจะไม่เจ้าพ่อผู้มีอิทธิพลไปเบ่งอยู่ตามหาดต่างๆแถวภูเก็ตแถวระยองแถวกระบี่แถวพังงายนะฮะจะแก้ได้มันก็บุญนะฮะแต่ลืมว่าปัญหาเหล่าเนี้ยมันเป็นปัญหาที่มาจากคนมันมีกิเลสถ้าเราจับหลักของพระพุทธเจ้าแล้วคิดเรื่อยๆนะฮะ คือมันมีปัญหาอะไรก็ตามตั้งปัญหาว่าอะไรมาจากไหนเพื่ออะไรโดยวิธียังไงแล้วในส่วนที่จะแก้ปัญหาต้องสาวให้ถึงเนื้อหาคือธรรมะให้ได้ถ้าสาวยังไม่ถึงธรรมะแสดงอย่างแก้ปัญหาไม่ได้หรอกเพราะนิโรธมันเป็นผลมาจากมรรคเพการสงบปัญหาทุกระดับเช่นสมมติระดับเวบญัยอันตรายต่างตงเนี่ย มันเป็นการลดของความโลภหลงระดับหนึ่งที่ทำให้คนไม่ไปประทสลายชีวิตไม่ปะทสลายตัวทรัพย์ไม่ลงละเมิดในทางเพศไม่กโกหกหลอ ก, ก, กลวงไคร่ร้ายป้ายสีกล่าวหากันอะไรต่อเนี่ยก็เห็นชัดเจนนะว่าแต่การได้ออกมาได้อย่างนั้นคือมาความความเข้มข้นของกิเลส ม, ม, ม, มันลดลงไป ตัวอย่างตรงนี้จึงเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าราบใดที่มนุษย์ยังไปยึดถือในความเห็นของตัวเองอยู่แล้วก็สำคัญมั่นหมายความสำคัญแก่ความเห็นของตัวเองอยู่โอกาสที่จะถูกเฉียงกล่าวหาใส่ร้ายไปสีกันมันก็จะเกิดขึ้นได้เรื่อยๆนะแล้วในที่สุดเนี่ยเรียกพูดกันไม่รู้เรื่องเพราะว่ามีลักษณะของตาบอดคาช้าง แต่ละคนก็ไปยึดติดในส่วนที่ตัวเองสัมผัสไม่ได้ไปมองเป็นองค์รวมว่าเออที่จริงเราก็พูดถึงเรื่องเรื่องช้างด้วยกันนะเนี่ยแต่ที่เราวางเถียงกันเราก็เถียงเรื่องช้างด้วยกันก็จะเกิดการประนีประนอมจะจะเกิดการประณีประนอมขึ้นมาแต่ว่าตราบใดที่คนเหล่านั้นยังไปคิดยึดติดอยู่อย่างนั้นนะยิดติดในจุดที่ตัวเองสัมผัสแล้วก็ไม่ยอมสัมผัสในจุดอื่น เขาก็ไม่สามารถจะวินิจฉัยตัดสินได้ว่าจริงๆเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงเพราะในเรื่องเหล่านี้ตอนสุดท้ายเนี่ยพระเจ้าทรงสรุปว่าได้ ย, ยินว่าสมณพราหมพวกหนึ่งย่อมข้องอยู่เพราะทิฏฐิทั้งหลายหาสาระไม่ได้เหล่านี้ส่วนทั้งหลายผู้เห็นโดยส่วนเดียวถือผิดซึ่งทิฏฐินิสัยนั้นย่อมวิวาทกันหมายความว่าถ้ายึดมัน่นถือมั่นกันแล้วเนี่ย ไปไม่รอดหรอกเอาได้ยากมันจะต้องมีการประนีประนอมมีการประสานประโยชน์แล้วก็ถึงสาระเนื้อหามันอาจจะแตกต่างกันในเชิงรูปแบบแต่ว่าลงกันได้ในเชิงเนื้อหาไม่จะแปลกอะไรนะไม่จาเป็นจะต้องไปถกเถียงอะไรกันให้สูญเสียเวลาซึงเป็นเรื่องที่จะต้องอาศัยการศึกษาเรียนรู้ทําความเข้าใจกันอีกมากทีเดียวต้งฟังกันไหม เสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงครงนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรในธรรมจึงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยทั่วกานสวัสดี